เรื่องพวกชดินผ่าฟืนข้อ46สมัยนั้นชดินเหล่านั้นต้องการจะบำเรอไฟแต่ไม่อาจจะผ่าฟืนได้ครั้งนั้นชดินเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าการที่พวกเราไม่อาจจะผ่าฟืนได้คงเป็นอิทธานุภาพของพระมหาสมณะโดยไม่ต้องสงสัยเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชดินรู้เวลากัสปะว่ากัสปะพวกชดินจงผ่าฟืนเถิด ชาดินอุรุเวลาัสปะทูลรับพระดํารัสว่าข้าแต่มหาสมณะพวกชาดินจงผ่าฟืนชาดินทั้งหลายได้ผ่าฟืน500ท่อนโดยการผ่าครั้งเดียวเท่านั้นขณะนั้นชาดินอุรุเวลาคสปะคิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับให้พวกชาดินผ่าฟืนได้แต่ไม่เป็นพระอาหารหันต์เหมือนเราแน่